ตั้งจิตสังเกตอยู่กับส่วนเดียวที่ขยับไหวคือหน้าท้องที่เป็นคลื่นสูงขึ้นและสงบลงต่ำดูอาการเช่นนั้นของจิตประมาณครึ่งนาทีหรือน้อยกว่าขึ้นกับกำลังจิตแต่ละครั้งจะเกิดความแตกต่างอันเป็นนามธรรมาภายในจากมืดเป็นสว่างเรืองขึ้นเล็ก กำหนดให้ความสว่างเรืองเล็กๆนั้นเป็นอันเดียวกับการรู้อาการไหวขึ้นลงของหน้าท้องอย่าเพ่งไปที่ความสว่างส่วนเดียวและอย่าเพ่งไปที่หน้าท้องอย่างเดียวแต่ให้เหมือนรู้ทั้งแสงและหน้าท้องพร้อมกันมีความเป็นไปด้วยกันปราศจากความแยกแยะเมื่อนาธรรมาคือความสว่างเติบโตกว้างขวางขึ้นอย่าลังเลสงสัย ว่าเป็นอุปทานหรือไม่จับความเห็นแสงชัดพร้อมรูปกายภายในนั้นไว้อย่าส่งใจไปทางอื่นถ้าเริ่มตื่นเต้นให้ท่านทันและทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้อย่าได้พยายามเข็นจิตให้เกิดความเห็นชัดสักแต่รู้ทื่อๆเหมือนหุ่นไร้ชีวิตจิตใจที่ไม่เคยมีความคาดหวังไม่เคยมีความอยากรู้อยากเห็นได้เห็นก็ดู ไม่ให้เห็นก็ไม่เอาเมื่อจิตเริ่มรวมลงเพราะความเพียรต่อเนื่องอย่างมีอุเบกขาจะรู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นในกายขจัดม่านหมอกมัวซั ว, วเป็นบางใสคล้ายเป็นกับปกติที่สามารถเห็นได้อย่างนั้นยังไม่ต้องทำอะไรอย่าเพิ่งกำหนดรู้อย่างใดทั้งสิ้นจิตจะรู้เห็นตรงไหนปรากฏเป็นอวัยวะรูปใดก็รู้อยู่เฉยๆอยู่อย่างนั้นก่อน ขอให้เห็นของจริงเห็นของจริงก็ช่างเห็นนิมดๆหลอกก็ช่างยิ่งคิดน้อยแบบแกล้งโง่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งค่อยๆเห็นชัดขึ้นเท่านั้นข้อห้าเมื่อปักหลักรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้นานพอจะมีสภาพหนึ่งของจิตที่รู้สึกเหมือนเป็นอิสระขึ้นทั้งยังคงความแจ่มแจ้งชัดเจน เมื่อลืมตามองเห็นจึงค่อยๆให้จิตเริ่มเดินทางสำรวจกายานครโดยความเป็นอาการสาสองตามที่พระพุทธองค์จำแนกไว้เป็นแนวทางอาจเริ่มจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้สิ่งที่น่าสนใจหรือปักหลักยึดไว้เป็นแกนกลางการสำรวจควรจะเป็นกระดูกเริ่มต้นเห็นจากเพียงบางส่วน ให้ล็อกการรู้ตรงนั้นไว้จนกว่าจะเห็นขาวแจ่มชัดแล้วก็สามารถขยายขอบเขตความรู้ให้เกิดมิติว่างยาวลึกขึ้นได้เองด้วยกำลังจิตที่มีอยู่ตามเป็นจริง ในที่นี้จะแนะนําไว้เพียงให้พอแก่การกําหนดรู้ได้จะไม่ชี้นําเพราะจะเป็นการตีกรอบให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอจงทราบเพียงว่าเมื่อเรามีจิตเป็นเครื่องเอกสเสริพร้อมก็ให้ไล่ดูอาการ32โดยมีการเป็นปฏิกลูลจดจําเป้าหมายปลายทางให้ดีว่าเพื่อละกามราคะต้องหมายเหตุไว้เช่นนี้ก็เพราะด้วยกําลังจิตระับนั้น เป็นไปได้ที่จะกำหนดรู้อย่างเป็นกลางวางเฉยไม่ยินดียินร้ายหรือกระทั่งเจาะลึกเข้าไปรู้แบบเห็นการทำงานอณนาอัศจั์ของอวัยวะต่างๆข้อ7เมื่อถอนจากเจโตสมาธิอันมีหน้าที่รู้กายโดยความเป็นปฏิโกณบางคนก็อาจจะเกิดความขยะขยแยงกายมีกลิ่นเหมือนศพเหม็นเน่าติดจมูกขอขายให้ขอให้แก้ ด, ด้วยการกาหนดรู้เฉพาะความเบา อันเกิดแต่ความรู้สึกลกความอยากในกามยินดีในกายเมื่อจิตตั้งมั่นไม่ข้องเกี่ยวกับกายก็ย่อมเกิดสติชัดรู้กายก็เห็นละเอียดไปทุกขยับเหมือนหุ่นเคลื่อนไหวไร้ความหมายกับทั้งรับรู้อารมณ์กระทบต่างๆสักแต่ว่าเกิดแล้วดับนี่คือการถึงเป้าหมายของปฏิกูลมนาสิการบัด ต, ต่อไปก็เรียกว่าพุทธวิธีรักษาการเห็นรูป ในอุปกิเลสสูตรพระอนุรุทธะทูลถามพระพุทธองค์มีความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรสมตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้แสงสว่างและการเกิดรูปขอภัยค่ะการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไรแสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของพวกข้าพระองค์ย่อมหายไป พวก้าพระองค์ยังไม่แทงตลอดนิมิตนั้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อพระอนุรุทธามีความว่าดูกะอะอนุรุท ธ, ธะพวกเธอต้องแทงตลอดนิมิตนั้นแลแม้เราก็เคยมาแล้วเมื่อก่อนตรัสรู้ยังไม่รู้เองด้วยปัญญาอันยิ่งยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมรู้แสงสว่างและการเห็นรูปเหมือนกันแต่ไม่ช้าเท่าไหร่ แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระอนุรุท ธ, ธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าหนึ่งบางคราวเรารู้ตัวว่าความลังเลสงสยัยเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็มีความลังเลสงสัยเป็นเหตุสมาธิของเราก็เคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําให้ความลังเลสงสัยไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีก 2. บางคราวเรารู้ตัวว่าความเผลอใจเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความเผลอใจเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําความเผลอในใจไม่ให้เกิดขึ้นแก่เราได้อีก ข้อสาบางคราวเรารู้ตัวว่าความง่วงเหงาซึมเศราเกิดขึ้นแก่เราก็ความง่วงเหงาซึมเศราเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำให้ความง่วงเหงาซึมเศราไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีกข้อสี่บางคราวเรารู้ตัวว่าความหวาดเสียวเกิดขึ้นแกเรา เหมือนบุรุษเดินทางไกลมีคนปองร้ายเขาขึ้นที่สองข้างทางมีความหวาดเสียวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างเป็นการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําให้ความหวาดเสียวไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีกข้อห้าบางคราวเรารู้ตัวว่าความตื่นเต้นเกิดขึ้นแก่เราเหมือนบุรุษ สแสวงหาแหล่งคลุมซั์แห่งหนึ่งแต่กลับพบแหล่งคลุมซับห้าแห่งในคราวเดียวกันก็ความตื่นเต้นเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําให้ความตื่นเต้นไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีกเข้าหกบางคราวเรารู้ตัวว่าภาวะหยากเกิดขึ้นแก่เราก็ภาวะอยาบเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําให้ภาวะหยาบไม่เกิดขึ้นแกเราได้อีกภาวะหยาบในที่นี้หมายเอาทำประกอบจิตอันไม่เกื้อกูลต่อการรู้แสงและรูปเช่นวางจิตแบบทึบๆไม่ปร่งใสก็เจบางคราวรู้ตัวว่าความเพียรที่เคร่งครัดเกินไปเกิดขึ้นแล้วแก่เรา เหมือนบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้แน่นนกคุ้มนั้นต้องถึงความตายในมือนั้นเองก็ความเพียรที่เร่งกรัดเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจะทำให้ความเพียรที่เคร่งกรัดเกินไปไม่เกิดขึ้นแกเราอีกข้อแปดบางคราวเรารู้ตัวว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป เกิดขึ้นแล้วแก่เราเหมือนบุรดษ จ, จับนกคุ้มล้มหลวมนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเราได้ก็ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกข้อ9บางคราวเรารู้ตัวว่าปัญหาที่คอยกระตุ้น เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ตันหาที่คอยกระตุ้นเป็นเหตุสมาธิของเราจรึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทําให้ตันหาที่คอยกระตุ้นไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกข้อ <viewers> 10บางคราวเรารู้ตัวว่าความสําคัญว่าแสงสว่างอย่างหนึง่งรูปอย่างหนึง่งต่างกันเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความสําคัญว่าแสงสว่างอย่างหนึง่ง รูปอย่างหนึง่งต่างกันเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำให้ความสำคัญว่าแสงสว่างอย่างหนึง่งรูปอย่างหนึง่งต่างกันไม่เกิดขึ้นแก่เราอีกก็คือไม่เอาจิตจับแสงหรือจิตจับรูปโดยแยกความเป็นต่าหาข้อส1บอบางคราว เรารู้ตัวว่าลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจะทำให้ลักษณะที่เพ่งเล็งเห็นรูปเกินไปไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีกนอกจากนี้พระพุทธองค์ก็ยังกาชับว่าโทษของการเห็นรูปอันได้แก่ความลังเลสงสยัย ความเผลอใจความ่วงเหงาซึมเศร้าความหวาดเสียวความตื่นเต้นภาวะหยาบความเพียรที่เคล่งพลัดจนเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปปัญหาที่คอยกระตุ้นความสำคัญว่าแสงอย่างหนึง่งรูปอย่างหนึ่งต่างกันลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเหล่านี้ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกทั้งหมดทั้งสิ้นดโกระอนุรุตธะ เราพูดไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้แสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเห็นรูปอย่างเดียวแต่ไม่รู้แสงสว่างตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงมีความดำริดังนี้ว่า อะไรเนอะเป็นเหตุให้ปัจจัยเรารู้แสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปเห็นรูปอย่างเดียวแต่ไม่รู้แสงสว่างตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างดูกระระอนุรุธทธาเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าในสมัยใดเราใส่ใจนิมิตคือรูปขออภัยค่ะในสมัยใดเราไม่ใส่ใจในนิมิตคือรูป ใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมรู้แสงสว่างอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างส่วนสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจนิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปอย่างเดียวแต่ไม่ได้รู้สึกถึงแสงสว่างตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้าง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 เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเราจะมีจักษุนิดหน่อยด้วยจักษุนิดหน่อยเรานั้นจึงรู้แสงสว่างเพียงนิดหน่อยเห็นรูปได้นิดหน่อยตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างส่วนสมัยใดเรามีสมาธิหาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราจะมีจักษุหาประมาณไม่ได้ ด้วยจักษุหาประมาณนี่ได้เรานั้นรู้แสงสว่างหาประมาณนี้ได้และเห็นรูปหาประมาณนี่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างดุกร ะ, ระอนุรุท ธ, ธะเรานั้นได้เจริญสมาธิมีวิตตกคือความตรึกนึกอารมณ์มีวิจาร์ความตรองแนบอารมณ์ได้เจริญสมาธิไม่วิตตก มีแต่วิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิไม่มีวิตตกไม่มีวิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิมีปิติบ้างได้เจริญสมาธิไม่มีปิติบ้างได้เจริญสมาธิประกอบด้วยสุบ้างได้เจริญสมาธิประกอบด้วยอุเบกขาบ้างอากาศกรสินหนึ่งในอุปสรรคของการเห็นรูปกายที่พระพุทธองค์ตรัสให้ระวังไม่ให้เกิดขึ้นคือภาวะหยาบ ซึ่งอาจหมายถึงฝ้ามัวแห่งจิตภาวะหนาทึบที่บทบางไม่ให้จิตรู้ได้ถึงสภาวะแห่งรูปฝ้ามัวาดังกล่าวมีกันอยู่ทุกผู้ทุกนามขอให้สังเกตว่าแม้เวลาปกติที่ไม่ได้ทำสมาธิถ้าหาักใจเป็นกุศลมากๆจิตจะใสใจจะเบาเป็นพิเศษยามทาจะรู้สึกตัวคล้ายลมหายใจและกายใสเหมือนแก้วแต่ยามปกติ ถ้ายิ่งจิตค่อนข้างไปทางอากุศลด้วยราคะโทสะโมหะเพียงใดลมหายใจและกายจะยิ่งปรากฏหยาบทึบขึ้นเพียงนั้นแม้จิตก็เห็นเหมือนตัวเองเป็นกลุ่มหมอกนาะทึบติดตันไปหมดมีกรรมฐานอันเป็นงานสมถะหลายชนิดที่ช่วยทำให้จิตใจใสเบาเป็นพิเศษขจัดภาวะหยาบอันเป็นอุปสรรคต่อการรู้แสง และเห็นรูปออกไปได้ในที่นี้จะแนะนำอากาศกสินด้วยอุบายวิธีที่คนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติสำเร็จง่ายได้ผลเร็วกสินแปลว่าวัตถุอันจูงใจให้ไปผูกอยู่ส่วนอากาศนั้นเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งที่ตาเห็นได้ไม่ใช่นามธรรมาตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปดังแสดงในธาตวิพัง สุดต่างตพาชนีพระอภิธรรมปิดกเล่มที่สองใจความสำคัญคืออากาศนั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งอาศัยดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นธรรมชาติอนับว่าช่องว่างพื้นที่อันดินน้ำไฟลมไม่ถูกต้องพูดง่ายๆว่าที่ต้องนับเป็นรูปก็เพราะถ้าปราศจากธาตุยาเช่นดินน้ำไฟลมก็จะไม่มีกรอบ ไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์ให้รู้ว่าเป็นช่องว่างเท่านั้นเท่านี้ขอให้เข้าใจว่าอากาศตามรูปสัพ์บาลีท่านหมายถึงที่ที่เขียนเขียนหรือทำให้เป็นรอยไม่ได้ภายเราที่เขียนว่าอากาศจะมีความหมายกว้างขึ้นเล็กน้อยคือรวมเอาบรรยากาศโลกสุญญากาศอาวากาศรวมทั้งลมที่สูดเข้าร่างกายด้วย แต่โดยสรุปแล้วที่เขียนในบทนี้จะหมายเอาอย่างเดียวคือช่องว่างเท่านั้นโดยรวมแล้วอากาศกสินจึงหมายถึงการเอาจิตไปผูกไว้กับช่องว่างเมื่อผูกอยู่ในระยะหนึ่งจะเหมือนจิตเสมอกับอากาศซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของการทำสมาธิทั้งหลายที่จ่อใจไว้กับสิ่งใดแล้วผูกติดแนบสนิทกับสิ่งนั้นแล้วจิตย่อมเสมอกับสิ่งนั้นราวกับเป็นสิ่งนั้น เมื่อจิตเสมอกับอากาศอันเป็นธรรมชาติโปร่งว่างภาวะหยาบของจิตย่อมหายไปภาวะใสาเห็นทะลุแบบอากาศย่อมเข้ามาแทนที่วิติในการรับรู้ของจิตจะผิดแผกแตกต่างไปอีกอย่างหนึง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถส่องรู้รายละเอียดทางกายง่ายขึ้นก่อนลงมือถึงวิธีฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ส่องรู้ความเป็นกาย จะขอกล่าวถึงข้อดีของอากาศกสินไว้ในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นแรงจูงใจและมองเห็นตลอดสายว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรข้อดีของอากาศกสินได้ชื่อว่าทาตามโอวาทของพระพุทธเจ้าดังที่ในระสาทกะกะรกัมมาทิบาลีพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองพระพุทธองค์ตรัสว่า ดูกระพิกษุทั้งหลายถ้าพิสูุเจริญอากาศกะสินแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือพิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่หินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินธบัตของชาวบ้านชาวแวนแคว้นเปล่าก็ป่วยการที่จะกล่าวไปยายถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอากาศกะสินนั้นเล่า เมื่อฝึกชำนาญแล้วทําให้ภาวะหยาบภาวะที่ฝ้ามัวบดบังรายละเอียดในกายหายไปเหลือแต่ความโปร่งใสแบบเดียวกับอากาศเกื้อกูลต่อ ง, งานมนุิยการปฏิก굴ในร่างมนุษย์เป็นอย่างยิ่งอีกทั้งสามารถเลีกเลี่ยงอุปสรรคอื่นๆที่บันทอนประสิทธิภาพการรู้แสงและการเห็นรูปที่พระพุทธเจ้าตรัสและพระอนุรุทะ ไว้ได้ทั้งหมดเรียกว่าได้เครื่องมือส่องสำรวจร่างกายชิ้นเยี่ยมไว้ในมือแบบหยิบฉวยมาใช้งานกันทันใจวางฝึกอากาศกรสินแม้ยังไม่ได้ผลก็ทำให้รู้จักสภาพจิตของตนเองแยกแยะออกระหว่างคิดฟุ้งกับนิ่งรู้รวมทั้งวางแบบเฉยเมยวางแบบอากาศและวางแบบปล่อยวางจากการเห็นกายใจ ไม่ใช่ตัวตนเมื่อสามารถแยกแยะออกก็จะไม่หลงไปติดกับปรากฏการ์อย่างใดอย่างหนึง่งทางจิตเป็นเครื่องอยู่ที่มีความแข็งแรงเหมือนบ้านสร้างอย่างดีทนแดดทนฝนหากเปรียบลมหายใจเป็นราวเกาะให้เริ่มยืนได้สําหรับผู้หัดใหม่ก็ต้องเปรียบอากาศกระสินเหมือนหลุมหลบภยัยกิเลสหยาบทั้งหลายสําหรับผู้มีกําลังแล้วพอสมควร มีความเห็นอารมณ์ชัดทั่วเพราะรูปธรรมทั้งหลายย่อมหยาบกว่าอากาศเมื่อเราสามารถล็อกจิตไว้กับช่องว่างอันเป็นธาตุละเอียดจิตก็ย่อมมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกินพอจะหวนกลับไปรู้ธาตุหยาบอื่นๆได้ง่ายแลมก็ทำให้หลุดจากอารมณ์ยึดติดแบบโลกโลกเห็นอารมณ์แบบโลกโลกเป็นเพียงของหยาบและมีกาลังใจ อยากภาวนาเป็นอย่างมากเมื่อทำอากาศกสินได้ก็จะเห็นโอกาสปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ให้แจมแจ้งตลอดสายเช่นถ้าหากใครเดินจงกรมหลังถอนจิตออกจากอากาศกสินทันทีจะพบข้อแตกต่างระหว่างสติธรรมดากับความตั้งมั่นรู้ของจิตที่ทรงคุณภาพยิ่งยวด มีอณิสง์เช่นความสามารถในการบังบัดบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างง่ายๆ่ายเพียงทําอากาศกสินเข้าไปที่จุดเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยก็ทุเลาหรือหายเร็วอย่างน่าอัศจรรย์อันตรายผลข้างเคียงด้านลบจากความสําเร็จในอากาศกสินนั้นแทบไม่มีหรือไม่มีเลยทั้งนี้เพราะจิตผู้ผูกอยู่กับความว่างแบบอากาศย่อมพลาดยาก ในอาการอยากเห็นหรืออยากเล่นแม้แต่โอกาสที่จะไปพันพัวกับสิ่งกระทบจิตในระดับละเอียดก็น้อยกว่ากรรมฐานชนิดอื่นๆวิธีฝึกอากาศกระสินเบื้องต้นปกติการฝึกกระสินทั่วไปจะใช้ความจำทางตาเป็นชนวนแล้วใช้กระแสจิต เป็นตัวประคองรักษาโดยหน่วงเอาลักษณะสำคัญของวัตถุไว้แน่นๆเช่นดูสีสีขาวจำว่าลักษณะของความปรากฏเป็นธรรมชาติอันขาวนั้นเป็นอย่างไรพอปิดตาลงก็จ่อใจนึกถึงขอบเขตความขาวที่จำไว้และพยายามตรึงความขาวในใจไม่ให้เคลื่อนไปในบทที่9้ามีกล่าวไว้ถึงโอทาตกศิน หรือกระสินสีขาวไว้เพื่อสนับสนุนการรู้กระดูกขาวภายในร่างหากสนใจก็ขอให้ศึกษารายละเอียดได้สำหรับอากาศกสินก็เช่นกันโดยมากแนวฝึกก็จะเป็นการกำหนดเพ่งช่องว่างระหว่างกรอบอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งถ้าหากปราศจากกำลังสมาธิอุดหนุนอย่างแข็งแรงแล้วก็ยากสำหรับคนทั่วไปที่จะจดจาได้ ดังนั้นจึงขอเสนออุบายกำหนดกรอบอย่างง่ายๆเป็นการช่วยจำแทนการเพ่งเอาด้วยตาอย่างเดียวขอให้นั่งลงตัวตรงขอตั้งอยู่ในอาการผ่อนกายสบายใจที่สุดแล้วลงมือปฏิบัติเป็นขั้นๆดังนี้โดยไม่ตกลน่นเพื่อที่ว่าเมื่อจิต ด, ดำเนินไปตามลำดับแล้วจะได้ผลเร็วหนึ่ง ฝึกสายตาให้ตั้งตรงไม่หลุ ก, กลิกข้อนี้เป็นการปูพื้นเฉพาะผู้เทียงขาดสมาธิและมีในตาหลุ ก, กลิกง่ายด้วยอำนาจความฟาุ้งซ่านอันเป็นอุปสรรคสำคัญของการฝึกเก ษ, ษินทุกชนิดเมื่อตาไม่นิ่งย่อมส่งผลให้จิตไหลเลื่อนตามตาไปด้วยถ้าฝึกให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตาก็จะมีส่วนช่วยลดความหลุ ก, กลิกได้มากกับทั้งจับให้จิตนิ่งในเบื้องต้นได้พอสมควร ให้เหยียดมือซ้ายไปข้างหน้าจนสุดยกนิ้วชี้ขึ้นนิ้วเดียวแล้วยกมือขวาตั้งไว้กึ่งกลางระหว่างตากับมือซ้ายยกนิ้วชี้ของมือขวาขึ้นเหมือนกันจากนั้นให้มองปลายนิ้วชี้ทั้งใกล้และไกลสลับกันเร็วๆนิ้วหนึ่งซักวินาทีหนึ่งมองแบบแน่ใจว่าเห็นเล็บปลายนิ้วชัด ทำสักเพียงนาทีเดียวจะรู้สึกว่าความสามารถในการเห็นความไวของจิตที่ตอบสนองการเห็นมีความคมชัดขึ้นและความสามารถในการจับตาเฉพาะจุดจะนิ่งขึ้นเมื่อเห็นดีได้เช่นนั้นแล้วให้ทํากำหนดจุดอื่นนอกตัวที่ไกลออกไปเป็นจุดที่สามจุดที่สี่ เป็นอะไรก็ได้อาจจะไกลถึงขอบฟ้าก็ได้ไล่สลับมองทีละจุดจากใกล้ไปหาไกลจากไกลสาวกลับมาหากใกล้ตาจะดความหลุกลิกลงมากข้อสองสำรวจคลื่นความคิดการทำกระสินเป็นเรื่องของการเอาจิตไปปักอยู่กับอารมณ์เดียวต่อเนื่องซึ่งอย่างนั้นถ้าสภาพจิตไม่เอื้ออำนวยยังฟงไปฟงมาอยู่ ก็หมดสิทธิ์ทำได้สำเร็จหากสังเกตดีๆให้ต่อเนื่องจะพบว่าบางทีเราฟุ้งจัดบางทีเราฟุ้งน้อยคล้ายกับเฝ้าดูคลื่นทะเลบางครั้งเห็นโยนตัวขึ้นสูงบางครั้งหมอบตัวลงต่ำมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยธรรมชาติจะฝึกหรือไม่ฝึกสมาธิก็ตามทีวิธีง่ายที่สุดสำหรับทุกคน จึงเป็นการสังเกตว่าเมื่อใดจังหวะของคลื่นความคิดอ่อนตัวสงบลงหรือเพลาความฟุ้งเหลือน้อยที่สุดก็ให้ใช้จังหวะโอกาสนั้นเป็นเวลาเริ่มภาวนาอากาศกรสินอีกทางหนึ่งมีอุบายง่ายๆที่จะทำให้ความฟุ้งจางลงแบบทันใจคือให้ลดตามองยอดฟ้าหรือขอบฟ้าไว้นิ่งๆสักพัก โดยไม่คาดหวังไม่เร่งรัดให้ตนเองเข้าสู่ความสงบจะเห็นความคิดเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วอาการเร่งรัดตัวเองให้สงบนั้นแท้จริงเป็นเหตุแห่งความฟุ้งอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยซ้ําข้อสามสร้างกรอบช่องว่างด้วยสองมือเพื่อสําสรวจแล้วว่าเคลื่นความคิดอยู่ในจังหวะที่เป็นขาลง กับทั้งผ่อนกายสบายใจคอตั้งหลังตรงไม่เกรง็งส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วช่วยโอกาสนั้นปิดเปลือกตาลงตาทอดตรงสบายสบายวางมือพักบนตำแหน่งสะดวกเอานิ้วชี้แตะนิ้วชี้นิ้วโป้งแตะนิ้วโป้งนิ้วทื่อเหลือประสานกันจะได้รูปกระโจม มือสามเหลี่ยมขึ้นมาทำความรับรู้ไว้ที่จุดสัมผัสระหว่างปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งที่ชนกันกับฝ่ามือทั้งสองที่ไม่สัมผัสอะไรหากไม่ลืมตัวที่ตั้งตรงสบายประกอบร้อมไปด้วยได้ยิ่งดีคือพอให้รู้ว่าตำแหน่งมืออยู่ที่ตรงไหนในส่วนของกายทั้งหมด